เมื่อกี้เราก็ได้สวดแล้วนะผู้ใดมีปกติเพ่งพินิษผู้นั้นย่อมพ้นบ่วงแห่งมารผู้มีปกติเพ่งพินิษพินิตอะไรนะแล้วก็ดูกายดูใจนั่นแหละผู้ที่ขยันดูกายดูใจนะก็จะพ้นบ่วงแห่งมารมาในนี้ก็คือ โลภะโทสะโมหะที่นำไปสู่ความทุกข์แล้วทำไมต้องต้องดูกายดูใจก็เพราะว่าถ้าไม่ดูก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ก็หลงหลงนี่ก็คือแปลว่าเข้าใจผิดอย่างเช่นไปเข้าใจว่ามีตัวกูของกู นะมีตัวกูของกูอยู่ข้างในหรือว่าเข้าใจว่ากายนี้เป็นตนเข้าใจว่าตนนี้มีกายเข้าใจว่ากายอยู่ในตนหรือเข้าใจว่าตอนอยู่ในกายก็คือสำคัญผิดในเรื่องตัวตนนั่นเองดูใจก็เหมือนกันนะเพราะถ้าไม่ดูใจ ก็อาจจะไปหลงยึดติดว่าใจนี้แหละเป็นตัวกูของกูหรือว่าต่ำกว่านั้นก็คือไปไปหลงความคิดไม่รู้เท่าทันความคิดพอไม่รู้เท่าทันความคิดไม่รู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกมันก็โดนความคิดโดนอารมณ์พวกนี้หลอก หรือว่าทำร้ายนะคนเรานี่ไม่ค่อยตระหนักว่าความคิดแล้วก็อารมณ์เนี่ยมันทำร้ายเราได้หรือมันพาเราหลงได้มีเรื่องเล่าว่ามีคนหนึ่งเขาไปไปเที่ยวที่ภูเก็ตระหว่างที่รอรถไฟอยู่ไม่ใช่รอรถไฟรอเครื่องบินนะ เ้าก็ถามคุณลุงคนที่อยู่ข้างๆว่าตอนนี้กี่โมงแล้วคุณลุงก็ไม่ยอมตอ บ, อตอบเ้าก็ถามอีกว่ากี่โมงพอเห็นลุงคนนี้มีนาฬิกาคุณลุงก็เลยพูดขึ้นมาว่าไปไกลๆซะ ผู้ชายคนนั้นก็งงเอี่เขาทําอะไรไม่ถูกพูดไม่ดีหรือเปล่าก็เลยพยายามถามว่าทําไมลุงพูดอย่างนั้นแกก็ไม่ยอมตอบตอนหลังก็เลยต้องขยันขยอว่าทําไมถึงพูดอย่างนั้นลุงก็เลยตอบว่าแกคิดดูซิถ้าฉันตอบว่า ตอนนี้กี่โมงแล้วแกก็คงจะชวนคุยกับฉันต่อชวนคุยเรื่องทะเลคุยชวนคุยเรื่องดินฟ้าอากาศชวนคุยเรื่องอาหารภูกเก็ตชวนคุยเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวเสร็จแล้วพอฉันคุ้นเคยกับแกฉันก็ต้องชวนแกไปเที่ยวบ้านเมื่อแกไปเที่ยวบ้านฉันแกก็ต้องเจอลูกสาวของฉัน แต่แล้วแกก็จะคุ้นเคยกับลูกสาวของฉันไหนที่สุดแกก็จะขอแต่งงานกับลูกสาวของฉันแล้วฉันจะให้แกแต่งงานกับลูกสาวของฉันได้ยังไงในเมื่อแกไม่มีแม้แต่นาฬิกาเพราะฉะนั้นฉันก็เลยตัดปัญหาทั้งหมดนี้ยอมเสียมารยาทไล่แกออกไป <c oughs> คิดไปไกลแล้วเนี่ยเกรงแค่ถามว่ากี่โมงแล้วนี่แกคิดไปถึงเรื่องขอแต่งงานกับลูกสาวแล้วนี่ ใจขอเราเป็นอย่างนี้นะมันปรุงแต่งไปไกลเลือกปรุงข้ามช็อตนะปรุงไปเรื่อยในสายพุทธการก็มีเรื่องคล้ายๆทําทนองนี้นะก็มีพระลุมหนึ่งอุปถากอาจารย์ก็เคารพนับถือเพราะเป็นทั้งอาจารย์แล้วก็เป็นทั้งเป็นทั้งลุงก็เลย ได้เผินได้ผ้าเนื้อดีมาสมัยก่อนผ้านี่เป็นของหายากก็เลยเอาไปถวายหลวงลงุงซึ่งเป็นอาจารย์ท่านก็ไม่รับพอไม่รับนี่พระหนุ่มก็เสียใจน้อยใจคิดไปว่าหลวงลุงนี่ไม่ไม่ไม่ค่อยชอบขี้หน้าท่าน ก็เลยคิดว่าอยากจะศึกเสร็จแล้วก็เลยคิดต่อไปว่าศึกแล้วจะไปทำอะไรศึกแล้วก็จะไปค้าขายค้าขายสักพักนะเสร็จแล้วก็ก็คงจะต้องมีคนมาช่วยค้าขายก็จะต้องแต่งงานพอแต่งงานแล้วก็คิดว่าคงจะมีลูกสักสองสามคนนะและถ้ามีลูกคนแรก โตได้สักสองสามขวบวก็จะพาขึ้นเกวียนไปหาไปหาพ่อนะไปหาพ่อลืมบอกไปว่าระหว่างนั้นเนี่ยผ้าที่เป็นพัาหนุมนี่ก็กำลังรณิบัตรพัดวีอยู่นะเป็นใช้พัดแบบเป็นไม้สูงสูงด้ามสูงสูงอนะ่ะเป็นพัดแบบโบราณระหว่างที่จินนาการไปว่าเนี่ยว่าจะ พอมีลูกโตแล้วก็จะพาลูกกลับไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่แต่เนื่องจากนั่งเกียนนั้นเนี่ยมันก็ทามันขรุขระก็จะกาชับกำชามเมียว่าให้ดูแลลูกให้ดีอย่าให้ตกปรากฏว่าลูกก็ตกจนได้ก็เลยโกรธเมียเอาด้ามเอาเอาไม้ฟาดเมียนี่คิดเอานะระหว่าง น, นั้นเนี่ยพเพลินกำลังถือพัดอยู่ ก็เลยเอาผัดเนี่ยฟาดหัวหาหลวงลุงไปเลยนะคิดไปไกลนะเนี่ยเพียงแค่ว่าหลวงพ่อถ้าไม่ให้ไม่ไม่รับไม่รับอ่าไม่รับพัาเท่านั้นเนี่ยคิดไปไกลเป็นตุเป็นตะแล้วพอพอคิดสักเรื่องหนึ่งนันก็จะคิดยาวเลยนะเป็นสายเลยเช่นพอคิดว่าจะสึกก็จะคิดต่อไปว่าสึกแล้วจะไปทำอะไรนะพอคิดว่าทำอะไรเสร็จก็จะคิดเรื่องการแต่งงาน คิดเรื่องการมีลูกแล้วก็ปรุงไปอีกนะว่าถ้าเกิดลูกเกิดมีอะไรเป็นไปขึ้นมาจะทำอะไรต่อไปนี่คือลักษณะของความคิดปรุงแต่งนะที่แรกเราเป็นผู้คิดว่าเออนะฉันไม่เอาละฉันจะศึกละใ แ, แล้วก็พอคิดแค่นี้เนี่ยความคิดมันก็ลากไป ลากไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาหรือว่าอารมณ์เป็นความโกรธความกังวลก็ได้อย่างเช่นคุณลุงคนเมื่อกี้เนี่ยแกเป็นคนห่วงลูกสาวแกเป็นคนห่วงลูกสาวเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีผู้ชายมาถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยแกก็คิดเป็นตุเป็นตาคิดไปไกลเลยว่าถ้าบอกไปเดี๋ยวก็จะเรื่องยืดยาว อำนาจถึงความวิตกกังวลก็พาแกปรุงแต่งไปสารพัดจนกระทั่งแสดงกิริยามารยาทที่ไม่ดีกับชายหนุ่มคนนั้นพวกเราอาจจะไม่เป็นหนึ่งขนาดนั้นนะแต่ว่าจะเป็นอย่างอื่นแทนนะเพราะว่าไอ้ความกังวลความวิตกหรือความโกรธความเกลียดเนี่ยมันสามารถจะพาเราเข้ารถเข้าพงได้ โดยเพราะเวลาเราเจ็บเวลาเราป่วยเนี่ยนะมันปรุงแต่งได้สารพัดเลยมีอาการนิดหน่อยก็ตกใจแล้ ว, ลวคุณหมอประเวศฤศีร่ยฟังว่าเคยมีคนไข้คนหนึง่งแก่ตัวซีดตัวซีดแล้วก็เลยไม่มีเลี่ยวไม่มีแรงต้องนอนเปลมาเป็นผู้ชายเนาะนอนเปลนอนเปลมาให คุณหมอตรวจคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเลือดก็ดูอาการสักถามคนไข้เสร็จแล้วก็หันไปพูดกับแพทย์สุดขัตว่าคนไข้คนนี้ไม่เป็นอะไรมากนะก็แค่พะยาธิปากขอก็เลยตรวจ ต, ตัวเลือด<ม>ก็เลยขาดเลือดไปหน่อยขาดเหล็กขาดธาตุเหล็กไปก็จะให้กินให้กินเหล็กนะก็จะดีวันดีคืน แค่วันเดียวก็ดีวันดีคืนละอันนี้พูดกับหมอนะพอหันกลับไปที่คนไข้บอกว่าคนไข้นี่ลุกขึ้นได้เลยแล้วก็พูดว่าคุณหมอถ้ามันหายง่ายอย่างนี้ผมก็ไม่ต้องใช้เปลนี่แล้วล่ะนะแล้วก็ลากเปลไปเรียวแรงกลับมาทันทีเลยพอรู้ว่าเป็นแค่พยาธิปักคอทําไมทีแรกไม่มีแรงทําไมเป็นแค่พยาธิถึงไม่มีแรงนีก็พราปรุงแต่งไนะ เห็นตัวซี่ก็เลยคิดว่าตัวเีงเป็นโรครายหรือเปล่าพอคิดว่าตัวเองเป็นโรครายเป็นมะเร็งมั้งเป็นไตไวายมั้งเป็นโน่นเป็นนี่สารพัดจะปรุงแต่งก็เลยเชื่อสิ่งที่ปรุงแล้วก็เลยไม่มีแรงอ่อนเพลียเข่าอ่อนทันทีนะอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะอํานาจของความปรุงแต่งที่เราไม่รู้ทัน นั้นถ้าเรารู้ทันความคิดปรุงแต่งแล้วเนี่ยมันมันหลอกเราไม่ได้นะมันจะหลอกไปให้กลัวให้วิตกให้โกรธให้แค้นนี่มันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการการหมั่นพินิจคือหมั่นดูกายดูใจเนี่ยสำคัญนะนั้นนี่คือเหตุที่เรามาปฏิบัติธรรมกันนะ เพื่อจะได้มามารู้ใจมาดูใจเพราะว่าความทุกข์คนเราสมัยนี้เนี่ยก็เกิดจากความทุกข์ใจเป็นสำคัญแม้ยังไม่ป่วยก็ทุกข์ละทุกข์ใจชีวิตเราก็สุขสบายดีไม่เหมือนสมัยก่อนต้องเข้าป่าล่าสัตว์หรือว่าต้องทำไร่ทำนาตื่นแต่เช้า ต้องแบกจอดแบกเสียมบางทีก็จูงวัวจูงควายไปไปไล่ไปนาก็ลำบากต้องเจออันตราย108ยสิงสารสัตว์ภูมิประเทศลำบากเดินทางก็เหนื่อยอาหารก็ขาดแคลนโลครคภัยไข้เจ็บก็เยอะอันนี้มันคือความทุกข์ทางกาย ทําไมเกิดความลำบากเกิดความเจ็บป่วยแต่สมัยนี้เราไม่ค่อยเจอเรื่องแบบนี้ละในชีวิตประจาวันแต่ทาไมถึงยังทุกข์กันอยู่คนทุกวันนี้ก็ไม่ได้ทุกข์น้อยไปกว่าเดิมคนทุกวันนี้ทุกข์มากกว่าเดิมดูจากคนที่เป็นโรคจิตเมืองไทยนี่มีคนที่เป็นปัญหาหรือมีโรคจิต ไม่ใช่โรคจิตนะมีปัญหาทางจิตเนี่ยประมาณ5้าล้านคนอายุตั้งแต่ส5บ้าขึ้นไปอันนี้ไม่นับเด็กนะเด็กก็มีปัญหาเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้มีปัญหาด้านจิตใจเหมือนกันเพราะว่าเด็กที่ฆ่าตัวตายต่ำกว่าอายุ15้าก็เยอะคนที่ขึ้นอายุ15ปีขึ้นไปเป็นโรคเป็นมีปัญหาทางด้านจิตใจถึง้าล้านคนก็มากกว่า 10% เซ มากกว่าสิบอร์ซของคนวัยนี้นะสมัยก่อนไม่ได้มากถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นกันเยอะเป็นเพราะอะไรนะเพราะหลายอย่างอาจจะเป็นเพราะความโดดเดี่ยวอ้างว้างเพราะาเดี๋ยวนี้ผู้คนอยู่กับแบบตัวใครตัวมันชีวิตที่ต้องเร่งรีบแข่งขัน ชีวิตที่เต็มไปด้วยความอยากอยา ก, ยากได้นู่นอยากได้นี่แต่ไม่มีไม่มีปัญญาไม่มีเงินซื้ออย่างเช่นอยากได้โทรศัพท์มือถือเด็กอยากได้พอไม่ได้ก็เครียดน้อยเนื้อต่ำใจพ่อแม่ค่าตัวตายก็มีาสังเกตดูมันก็เป็นเพราะความความอยากเป็นเพราะวาความเหงานะเป็นเพราะว่าความเครียด พวนี้เป็นเรื่องจิตใจทั้งนั้นเกิดปัญหาทางจิตใจทั้งนั้นทั้งที่มีกินมีใช้กินอิม่มนอนอุ่นแต่ว่าจิตใจที่มันปรุงแต่งหรือว่ามันถูกครอบด้วยอารมณ์อารมณ์ที่เป็นอคุสนที่จริงๆของคนเราเนี่ยมันมัน มันผ่องใสนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตของเรานี้มีธรรมชาติเป็นประพัสสอนประพัดสานคือสว่างสวยแต่ว่าที่มันหมองก็เพราะว่าถูกกิเลสมาจรกิเลสจรมันก็มาครอบเอาไว้เหมือนกับดวงอาทิตย์ที่มันสว่างตลอดเวลาแต่ว่าอาจจะมืดก็เพราะว่ามีเมฆมาบางังหรือบางทีก็มีพระจันทร์มาบังเอาไว้ นะนี่ท่านก็เปลี่ยนเมื่อว่าอารมณ์เนี่ยอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนี่มันมาครอบจิตเอาไว้ก็ทําให้จิตเศร้าหมองและที่มันมาครอบเอาไว้นี่เพราะใจะเพราะเรานี่ยไม่รู้ทันดินะเวลาเราทุกข์เวลาเรากลุ่มใจเนี่ยเราก็แทนที่จะรู้ว่ากําลังกลุ้มกาลังกำลังทุกข์เราก็ปรุงแต่งต่อไป อย่างเช่นคุณลุงคนที่ว่าเนี่ยถ้าแกถ้าแกรู้ทันจิตของตัวเองว่าเนี่ยเราเป็นคนห่วงลูกสาวนะแกก็จะไม่ปรุงแต่งนะไปถึงขนาดที่พูดจามไม่ดีนะกับผู้กับชายหนุ่มคนนั้นบางทีมันไม่ได้แค่นั้นนะมันมากกว่า น, นั้นก็ได้เพราะว่าคนเราเนี่ยพอถูกอารมณ์ครอบงำแล้วก็ลืมตัวพอลืมตัวแล้วเราก็สามารถที่จะ ทำอะไรที่เลวร้ายได้เช่นดา่าหรือว่าพูดจ า, าทำร้ายจิตใจคนที่เรารักหรือแม้แต่ทะเลาะบบาแวงกันจนถึงขั้นทำร้ายกันเพราะความลืมตัวและทำไมถึงลืมตัวนะก็เพราะไม่รู้ใจไม่รู้ใจของตัวพอลืมตัวแล้วมันก็ลืมทุกอย่างนะ ลืมทุกอย่างลืมเรื่องความลืมเรื่องกฎหมายลืมเรื่องความถูกความผิดลืมเรื่องความชั่วความดีนะแม้แต่สิ่งที่เรารักหรือสิ่งที่เราดูแลและผิดชอบก็ลืมด้วยนั่นว่าความลืมตัวและที่ลืมตัวเพราะมันไปจมอยู่ในความคิดก็ได้ อย่างเช่นเมื่อปีสองปีก่อนนี่ก็มีเรื่องราวของนายกเทศมนตรีคนหนึ่งทุกเช้าแกก็จะขับรถไปทำงานเพื่อนบ้านก็จะติดรถไปด้วยเป็นผู้หญิงเอาลูกไปด้วยเพราะว่าลูกวัยสามขวบนี่เขา สถานอนุบาลเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับเทศบาลเพื่อนบ้านก็ขอติดรถเทศมนตรีเพื่อที่จะเอาลูกไปส่งที่สถานอนุบาลสถานรับเลี้ยงเด็กนะเนอร์เซอรี่ก็เป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันแต่เพลินวันหนึ่งเนี่ยคนที่เป็นแม่เขาไม่ว่างเขาก็เลยฝากลูกให้ นายกเทศมนตรีเนี่ยช่วยไปส่งช่วยเอาลูกไปส่งที่สถานเลี้ยงเด็กนะก็เป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเด็กก็อยู่เบาหลังวันนี้ไม่มีแม่ไปด้วยัว น, นี้เพินวันนั้นเนี่ยมันมีประชุมเทศบาล เข้าใจว่าแกคงไปสายแล้วอาจจะมีเรื่องสำคัญระหว่างที่ขับก็คงคิดเรื่องประชุมเทศบาล น, นี่แหละอาจจะมีความกังวลอยู่ด้วยนั่นพอขับรถถึงเทศบาลแกก็รีบลงจากรถเลยพอจอดรถเสร็จแกก็ลงจากรถไปประชุม ประชุมเสร็จเที่ยงก็ทำงานต่อจนเย็นกลับมาลงมาถึงรถก็ขึ้นรถกลับบ้านขึ้นรถไปได้ไม่ไประเดี๋ยวเดียวก็มองไปที่กระจกหลังก็ตกใจเพราะว่าเด็กลูกของเพื่อนที่ฝากไว้ตัต้งแต่เช้าเนี่ยแกลืมไปเลย ลืมไปว่าต้องเอาเด็กไปส่งที่สถานเลี้ยงเด็กเด็กอยู่ในรถคันนั้นเนี่ยตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยนะตกใจรีบจอดรถมาดูเด็กว่าเป็นยังไงบ้างปรากว่าเด็กตายแล้ว เ, เด็กตายแล้วเรื่องแบบนี้ก็มีอยู่ประจำนะบางทีอย่างในเมืองนอกเนี่ย แม่พาลูกไปไปซื้อของไปเที่ยวไปซื้อของที่ห้างคล้ายๆเทสโกตัสเนี่ยที่จอดรถเนี่ยมันเป็นมันเป็นานโล่งแม่ก็ลูกไว้ข้างไว้ไว้ที่ข้างหลังนะแล้วแม่ก็ปกติแม่ก็คงจะไปซื้อของคนเดียวแต่บางวันเนี่ยก็ ไม่มีพี่เลี้ยงก็ต้องเอาลูกไปด้วยเอาลูกไว้ที่เบาะหลังแม่ก็ไปซื้อของพอถึงที่จอดรถก็จอดจอดรถในตรงลานโลงนะ่งแล้วก็ลืมเด็กไว้ก็ไปซื้อของในห้างแค่สองสามชั่วโมงเท่านั้นแหละก็ได้เรื่องแล้วพอกลับมาเห็นรถก็ตกใจตายแล้วลืมลูกเอาไว้ อันนี้เพราะอะไรเพราะว่าตอนที่ไปตอนที่จอดรถเนี่ยก็คงคิดถึงเรื่องว่าจะซื้ออะไรจะซื้ออะไรจิตจิตมันคิดแล้วว่าต้องซื้อนอนซื้อนี่นะแล้วก็เลยลืมเลยลืมลูกไปแล้วคนที่เขาเวลาขับรถเราคิดนอนคิดนี่นี่ก็ถือว่าลืมตัวนะแลวพอลืมตัวแล้วก็ลืมทุกอย่าง ไม่ต้องพูดถึงคนที่ลืมตัวเพราะว่าติดอบายมุกเล่นการพนันอันนี้ลืมหนักมากนะแต่ว่าคนธรรมดาพวกเราซึ่งแม้จะไม่ติดอบายมุกไม่ติดเหล้าไม่ติดการพนันนะไม่ติดความบันเทิงมันก็อาจจะลืมอย่างอื่นได้อาจจะลืมตัวได้เพราะว่ากังวลกับงานการหรือกังวลกับโครคภัยไข้เจ็บของตัว เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นดูใจไม่มั่นรู้เท่าทันจิตใจของเรานะก็จะเกิดปัญหาต่างๆในชีวิตได้ความทุกข์ก็จะตามมาอันนี้เรียกว่าไม่พ้นบ่วงแห่งมานนะ ถ, ถ้าพวกเราเนี่ยไม่อยากจะจมอยู่ในความทุกข์นันก็ต้องฝึกให้มีสตินะรู้ใจจะจะรู้ใจได้มันก็ต้องรู้กายนะทำอะไรเนี่ยก็ให้มีสติรู้ว่ากำลังทำอะไรเช่นขับรถใจก็อยู่กับการขับรถถ้ามีกายเนี่ยเป็นเป็นที่ที่ตั้งของจิต นะมันจะฟุ้งได้ยากนะไม่ต้องถึงกับเพ่งก็ได้แค่รู้รู้กายพอรู้กายแล้วเนี่ยใจมันฟุ้งไปไหนเนี่ยความรู้สึกตัวการเคลื่อนไหวของอิรียบททางกายเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเป็นสัญญาณเตือนให้เรารู้ว่าเราเผลอไปแล้วจิตก็จะกลับมา ที่จริงสติถ้าไวพอเนี่ยพอคิดไปไกลเนี่ยมันก็จะรู้แล้วล่ะว่าคิดไปไกลแล้วนะนะก็ทําให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันได้และถ้ า, าว่าเรามีสติรู้กายจริงๆเนี่ยแม้เวลากายมันเจ็บพราะเวทนาพราะความเจ็บป่วยเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์ใจนะ อย่างที่พูดไปแล้วเมื่อวานว่าทุกกายเนี่ยอาจจะเป็นเพราะโรคอาจจะเป็นเพราะมะเรง็งแต่ว่าทุกใจเนี่ยมันเป็นที่เราทําเองและที่เราทําเองเพราะเราไม่มีสติเวลาเจ็บเนี่ยแทนที่จะเห็นว่ากายมันเจ็บก็ไปรู้สึกขึ้นมาว่าฉันเจ็บฉันเจ็บฉันเจ็บ มันไม่ใช่ฉันที่เจ็บนะมันเป็นกายที่เจ็บนะหรือว่าเป็นเวทนาที่เกิดขึ้นพอเราไม่มีสติแล้วก็ไปยึดเอาว่าความเจ็บเป็นของฉันนะความเครียดความโกรธก็เหมือนกันแทนที่จะเห็นว่ามันเกิดขึ้นที่ใจก็ไปปรุงไปยึดว่าฉันเครียดฉันฉันทุกข์ฉันโกรธล้วคนเราเป็นอย่างนี้นะ เพราะว่าไม่รู้กายไม่รู้ใจใันคนที่ยิ่งเจ็บยิ่งป่วยเท่าไหร่เนี่ยถ้าไม่อยากให้ความเจ็บความปวดมันมันเล่น ง, งานจิตใจนะก็ต้องหัดดูใจให้เป็นมีสติก็ดีมีสมาธิก็ดีช่วยได้มีเด็กคนหนึ่งเนี่ยแกเป็นโรคพุ่มพวงตั้งแต่เล็กนะ ตั้งแต่12ได้เมื่อไปหาหมอเนี่ยหมอก็มีการเจาะกระดูกมีการเจาะไขสันหลังประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตที่โดนเจาะไขสันหลังเนี่ยแกผวาไปอีกนาน<ม>เพราะว่าเจอเข็มก้อเข็มเม็ดเข็มเข็มใหญ่แล้วพยาบาลที่แทงเข็มเข้เขาไปก็คงจะ แทงไม่ค่อยเป็นแกก็เลยปวดมากนับแต่นั้นมาเวลาเจอเข็มเนี่ยแกจะผวาบางทีก็ถึงกับร้องกรี๊ดเลยนะเป็นลมเป็นคนที่แพ้เข็มมากแต่ตอนหลังเนี่ยไปเจอหมอดีคนหนึ่งหมอคนนี้ก็เป็นคนที่ปฏิบัติธรรมด้วยก็รู้ว่าปัญหาของเด็กเนี่ยอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่ไม่ใช่อยู่ที่เข็ม ก็สอนให้เด็กเนี่ยมาดูใจของตัวทีแรกก็ให้เด็กเล่าก่อนว่ากลัวอะไรให้เด็กเขาบรรยายว่าเขากลัวอะไรการที่เด็กได้บรรยายความกลัวงตัวเองเนี่ยก็ทําให้เด็กเริ่มเข้าใจเริ่มเห็นความกลัวตอนหลังก็ฝึกปฏิบัติธรรมให้ดูความกลัวอย่าไปอย่าไปปฏิเสธความกลัวให้ดูมันเฉยเฉย ตอนหลังเนี่ยเด็กก็ดูใจของตัวเวลาหมอเนี่ยหรือพยาบาลเนี่ยจะเอาเข็มแทงเข้าไปก็ก็ดูใจของตัวไม่ได้ดูที่เข็มนะคนที่คนที่ไม่รู้เนี่ยก็จะไปดูที่เข็มหรือแม่ก็ปรุงแต่งว่าโอ้ยมันน่ากลัวแต่เด็กนี่พอมาดูใจก็เห็นความกลัวพอเห็นความกลัวเนี่ยมันก็ดับไปตอนหลังเนี่ยเด็กก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องถูกเข็มแทง แล้วแกก็โตขึ้นมาเรื่อยนะต่หลังก็ปฏิบัติธรรมต่อมาเนี่ยแกก็โชคดีต้องมีการแกได้รับการอนุญาตเปลี่ยนไตแต่ไม่รู้โชคดีโชคร้ายนะเพราะปรากฏว่าแกแพ้ตอนผ่าตัดเนี่ยแกแพ้แพ้ยาระงับปวดนะบวมแล้วก็อาเจียนหมอไม่รู้ทำยังไงแพ้มากให้ยาไม่ได้ แต่แกบอกแกบอกว่าพอแกตั้งสติได้เนี่ยแกบอกว่าขอพาลาสองเม็ดก็พอแล้วแกก็ตามลมหายใจตามลมหายใจแล้วก็ปรากฏว่าผ่าตัดได้เลยนะผ่าตัดได้เลยทั้งที่ไม่ได้ใช้ยาขนาดนั้นจากเด็กที่กลัวเข็มเนี่ยกลายเป็นคนที่เรียกว่าผ่าตัดได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาระงับปวดก็ได้ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกแต่ว่ามันก็มีคนที่ทำอย่างนี้ได้เยอะนะคนที่เขาพอเขาดูใจแล้วเขาฝึกใจได้เนี่ยใจนี่มันก็ช่วยให้กายเนี่ยสามารถที่จะทนกับความปวดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเราเจออะไรมากระทบก็ตามเนี่ยเพียงแค่เรามีสติดูใจ มันก็จะไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ไปกับกายมีแต่กายที่ปวดแต่ใจไม่ปวดแล้วถ้าเกิดว่าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายก็าจะกลายเป็นของดีก็ได้คือกลายเป็นกลายเป็นเครื่องฝึกเครื่องฝึกให้เกิดสติเครื่องฝึกให้เกิดปัญญาความทุกข์ทั้งหลายในโลกนี้เนี่ย มันไม่ได้มีแต่โทษอย่างเดียวมันมีคุณด้วยอยู่ที่ว่าเราจะใช้ให้เป็นหรือเปล่านะยุงกัดก็ดีมดกัดก็ดีพวกนี้มีประโยชน์ทั้งนั้นจะโรคภายไข้เจ็บก็เหมือนกันก็มีประโยชน์ถ้าใช้ใเป็นมีเด็กคนหนึ่งไม่ใช่เด็กว้เป็นวัยรุ่นแล้วแกเป็นแกเป็นเลวคีเมียมาเร็งในเม็ดเลือด ตอนที่เป็นเนี่ยตอนที่รั่วเป็นนี่แกก็ทุกข์มากนะแต่ตอนหลังก็ตั้งหลักได้และแกก็เล่าให้ฟังว่าการที่แกเป็นมะเร็งเนี่ยมันทำให้เกิดสิ่งดีๆในชีวิตของแกมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของแกเพราะมะเร็งนี่แล้วแกก็เล่าว่าดีตรงไหนบ้างข้อแรกคือทำให้แกหันมาสนใจพุทธศาสนา แล้วก็ทำให้ทราบซึ้งในคำสอนก็คือได้เข้าเข้าใกล้ชิดธรรมะประการที่สองทำให้ได้ทราบซึ้งกับความรักของพ่อแม่แต่ก่อนก็ไม่รู้พ่อแม่รักเราแค่ไหนแต่พอพอเป็นมะเร็งพ่อแม่ก็มาดูแลใจใสมีเวลาให้แต่ก่อนพ่อแม่จะมีแต่เงินให้แต่ไม่มีเวลา ก็ไม่รู้พ่อแม่รักยังไงแต่พอพ่อแม่มีเวลาให้กับลูกดูแลลูกก็รู้สึกซาบซึ้งในความรักของพ่อแม่ข้อที่สคือพอป่วยแล้วก็ทําให้มีเวลาอ่านหนังสือมีเวลาได้ไตรตรองแต่ก่อนเนี้ยเอาแต่เที่ยวเอาแต่เล่นไม่ได้มีเวลาคิดไตรตรองหัวหรือปัญญานี่มันหมดไปกับเรื่องการเที่ยวการเล่นหมด หรือบางทีไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้หัวไม่ได้ใช้ปัญญาเลยแต่พอป่วยแล้วมีเวลาว่างได้อ่านหนังสือก็ได้ใช้ความคิดในทางที่สร้างสรรค์แกบอกว่าถ้าไม่เป็นมะเร็งเนี่ยป่านนี้ก็คงเหมือนกับเด็กทั่วไปเหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปก็คือว่านอนหอพักตื่นตีตื่นบ่ายสามาตื่นบ่ายสามนะขนาดเป็นนักศึกษาเนี่ยตื่นบ่ายสามเสร็จแล้วก็เรียนไป เรียนแบบขอไปทีเพื่อที่จะรอไปเจอเพื่อนไปเที่ยวห้างด้วยกันก็ใช้ชีวิตแบบไม่ไม่คำนึงถึงความรู้สึกของใครอยู่อย่างประมาทอันนี้แกเล่าเองนะแต่พอเป็นไปนลูคีเมียแล้วเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์จากความทุกข์เห็นประโยชน์จากโรคภัยไข้เจ็บ คือถ้าไม่มองไม่พิจารณาก็ไม่เห็นนะโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยแต่ถ้าเรารู้จักรู้จักมองมันก็มีประโยชน์หรือถ้ารู้จักใช้ให้เป็นก็มีประโยชน์ความทุกข์เนี่ยมันสอนเราได้หลายอย่างมันสอนใจให้เราเห็นถึงความไม่เที่ยงของชีวิตมันสอนให้ให้เรารู้ว่าเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้ได้ไม่นานโดวยอว่าความเจ็บความป่วยนะ หรือว่าเวลาของหายมันก็สอนเราว่าไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราได้นานความพัดพรากเป็นเรื่องธรรมดาลองมองดูให้ดีนะความทุกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักการพัดพราจากสิ่งที่รั ก, กเงินหายเจ็บป่วยตกงานล้วนแต่สอนใจเราได้ทั้งนั้นสอนใจใหเห็นลิงความไม่เที่ยงของชีวิต สอนใจให้เรารู้ว่าความพัดผ้าเป็นเรื่องธรรมดาสอนให้เรารู้ว่ามีพบก็มีพลาคมีเจอก็มีจากคำชมกับคำตำหนิมมเป็นของคู่กันนะมองให้เป็ น, ปนก็จะเห็นธรรมะจากเคราะห์ที่เกิดขึ้นกับเรานอกจากจะสอนใจแล้วมันยังฝึกใจเราด้วย ฝึกใจเราให้อดทนนะฝึกใจเราให้เข้มแข็งมีคนที่เขาล้มละลายช่วงเศรษฐกิจตกต่ำค่าเงินบาทตกจนกระทั่งเป็นหนี้ถึงเจ็ดพันล้านต้องมาขายแซนวิชชิ้นละ20บาท30ชิ้น วันหนึ่งก็ได้แค่ห0 0้อยบาทจากคนทำธุรกิจพันล้านมาค้าขายแบบนี้เนี่ยได้เงินวันละห0 0้อยกำไรก็แค่ร้อยสองร้อยแต่ในที่สุดก็ใช้ความเพียรสู้ชีวิตจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นเจ้าของกิจการเอากิจการเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้แล้วแล้วแกก็พูดว่าเนี่ยต้องขอบคุณช่วงที่เป็น ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ทำให้ล้มละลายเพราะว่าทำให้เห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้นแล้วก็ทำให้เข้มแข็งมากขึ้นอันนี้แกขอบคุณนะที่ล้มละลายเพราะว่ามันทำให้แกเข้มแข็งขึ้นและความทุกข์มันฝึกใจเราให้เข้มแข็งฝึกใจเราให้อดทนแล้วก็ทำให้มีสติได้ด้วยนะ เพราะว่าถ้าเราคนที่ไม่เจอกับความไม่เจอกับปัญหาไม่เจอกับอุปสรรคเนี่ยมันจะหลงตัวลืมตนได้ง่ายๆแต่พอเจออุปสรรคแล้วมันก็เกิดได้คิขึ้นมาหรือว่าฝึกใจให้ไม่ประมาทกับชีวิตนะลองดูเะนะไอ้ความความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับเราที่เราเรียกว่าเคราะห์เนี่ยถ้าเราใช้ให้เป็นนะ มันมีประโยชน์แต่ถ้าใช้ไม่เป็นก็มีโทษแล้วเราจะใช้ให้เป็นได้อย่งไงเราก็ต้องมีสติก่อนเป็นอย่างแรกอย่าวไปจมอยู่กับความทุกข์เดี๋ไปจมอยู่กับความเศร้าอย่าไปจมอยู่กับ ค, ความคับแค้นพอจิตมันพ้นจากอารมณ์บางที่ได้เนี่ยมันก็รู้ว่าจะใช้อย่างไรแม้แต่การแค่เพียงแค่ เอาสติเอาเอาความทุกมาเป็นอุปกรณ์ในการฝึกจิตคือดูอย่างพวกเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลามันมันมันเครียดขึ้นมาเนี่ยอย่าไปโกรธมันเวลามันเกิดความไม่สงบเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาเนี่ยอย่าไปผลักไสมันอย่าไปรังเกียจ ต, ต้องเอามาใช้เป็นอุปกรณ์ในการดูจิตเพราะว่า ความเครียกก็ดีความสงบก็ดีเนี่ยสอนสอนอย่างเดียวกันคือสอนเรื่องความไม่เที่ยงสอนเรื่องความไม่ใช่ตัวตนถ้าเราเครียดแล้วเราผลักไสเนี่ยเราขัดทุนเพราะว่ามันจะไม่ยอมไปเรายิ่งเครียดหนักแต่พอเราเอาความเครียดมาเป็นมาเป็นเาเรียกว่าอารมณ์ในการดูจิตในการฝึกสติอันนี้เราได้ประโยชน์นะ นักปฏิบัติธรรมที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็จะไม่ชอบความฟุง้งไม่ชอบความเครียดไม่ชอบความ ค, มความควา ม, ความเบื่อแต่พวกนี้เนี่ยมันเป็นครูสอนเราได้สอนเรื่องไตรลักษณ์ได้เพียงแค่เราดูมันเฉยๆเท่านั้นแหละอย่างที่พูดเมื่อสองวันก่อนว่าทุกเป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้ถ้าเรากําหนดรู้ความทุกข์ ดูมันเฉยๆเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์แล้วมันสอนให้เรามีสติมันสอนให้เรามีปัญญาหลวงพ่อเทียนหนึ่งบอกว่าเวลาสงบมากๆเนี่ยเดินจงกรมแล้วสงบสร้างจังหวะแล้วสงบเนี่ยต้องเคลื่อนมือต้องเดินเร็วๆต้องสร้างจังหวะเร็วๆเพื่อให้ความคิดออกมาความคิดได้ที่คือความฟุ้งนะนะเพื่ออะไรก็เพื่อจะใช้เป็นคู่ซ้อม ในการฝึกสตินะมันมีประโยชน์ตรงนี้นะไออารมณ์พวกความเครียดความความฟุง้งเนี้ยมันเป็นอุปกรณ์ฝึกสติอย่างดีและเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปรังเกียจเราต้องรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ศิละปะของชีวิตก็คือว่าการรู้จักใชใ้ประโยชน์จากความทุกข์ไม่ใช่หนีความทุกข์นะคนเราหนีความทุกข์ไม่พ้นหรอกแต่ว่าเราต้องรู้จักเผชิญหน้าและใช้มันให้เป็นประโยชน์ อันนั้นลหละถึงจะชีวิตถึงจะเจริญก้าวหน้าแล้วก็พ้นจากความทุกข์ได้อันเราก็พูดกันเท่านี้กลับฮะ